ที น, นานทไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้ผิดกับเขาคี่ครังแค่ครังแค่ครังที่ยังสอนเธอไวไม่เธเลืกท่าไรยังแอ บ, บนัดพบเจอกับเธอบังคับในฝันแอ บ, บอิงศพ ทุกวันที่ลาแค่เพีงเสียวนาทีของในบาร์ร์ดีได้ยินเสียงของเธอในยามนิทรายังแอบนัดพบเจอกับเธอ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 远方为你唱。